นาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุตตสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุตตสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบุตตสะอ้าออกมือลงวันนี้ก็ที่ว่า จะจะเข้าพรรษาเป็นเดือนกรกฎาเข้ามาพวกเราได้มารวมกันเพื่อจะได้ฟังหรือว่าเอาความที่ว่าจดจำเอาการประพฤติปฏิบัติไปบำเพ็ญแต่ละท่านละคนเพราะทุกวันนี้มันที่ว่าความไม่อยู่เย็นเป็นสูขของประเทศชาติบ้านเมือง ของชาวโลกทั่วไป เ, เกิดโรคเกิดภัยวิบัติสารพัดที่ว่ามันใกล้ตัวเราเข้ามาให้พวกเราลําลึกว่าให้น้อมเข้ามาหาตัวเองอย่าคิดว่าเป็นของประเทศอื่นตัวเราก็จะอีกสักวันพวกเราก็จะได้พบได้ประสบเหมือนกันถึงไม่เป็นโรคอีกวันหนึ่งวันข้างหน้ามันก็ต้องเป็นมันก็ที่ว่า ไม่มีใครจะเล็ดลอดออกไปได้ อ, อยู่ในวงนี่นะเกิดแก่เจ็บตายกันทุกท่านทุกคนอันนี้พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้พวกเราที่ว่าน้อมมาดูที่ว่าโลกวุ่นวายสารพัด ท, ที่เกิดขึ้นมาให้เราดูน้อมดูว่าความอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าความทุกข์น่ะความสุขกับความทุกขน์นี่อะไรมันมากกว่ากันให้เรามาน้อมดู ที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยสมัยเป็นเด็กก็เป็นอีกแบบอย่างเป็นแบบหนึ่งทุกวันนี้ก็อีกความเจริญสารพัดนั่นแหละแต่เจริญเครื่องบินก็ไม่ได้บินเ็า ก, ก็หยุดงดบินสายการบินต่างๆมันสังักไปได้อันนี้แหละเราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วนี่แหละโลกมันอยู่แบบนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า จเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมอันนี้เพราะที่จิตของเราเนี่ยใจของเราเนี่จิตตัวนี้มันเวียนว่ายตายเกิดเอาพบเอาชาติต่าต่ ำ, ต ำ, ตำสูงสูงที่เราเกิดมาบางครั้งบางสมัยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานกบเขียดปูปลาสารพัด ท, ที่เราเกิดมาในอดีตมาผ่านมานะเราเกิดในพบเล็กๆ น, น้อยๆก็เกิดพบใหญ่ เลยมนุษย์ไปอีกเป็นเทพเป็นลูกเทพไปพวกเ่านั้นก็อายุมากหลายล้านปีอันนี้แหละการที่ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดแต่ละท่านละคนนี่เราจำไม่ได้เราคิดไม่ถึงว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้มันมีมันเป็นของที่มีอยู่แต่เราต้องมีเหตุปัจจัยที่เราจะได้เกิดความรู้ความเห็น ได้รู้ได้เห็นสารพัด ท, ทุกสิ่งทุกอย่างไอเปรตพวกผีพว ก, พพวกสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ประจําโลกเทพเทวดาพวกยักษ์พวกอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่ประจําโลกเขาก็มีมีอยู่แต่พวกเรามองไม่เห็นเขาเนี่ยพวกเหล่านี้อันนี้แหละโลกเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสารพัด ท, ที่เรามาเวียนว่ายตายเกิด ในชาตินี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในมีคําสอนของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนีเจ้าคุณอุบาลีนีนี่มาสอนในรัชกาลพระจอมเกล้าได้มาสอนสานุรณสิทธิ์ตกในมาเน่ในเมืองอุบลก็ได้พระอุบาลีได้หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมานี่ยพวกเราก็ได้ที่ว่ามีองค์หลวงตา มีอวงหลวงตาหลวงปู่สีในสารคามของพวกเราเนี่ยได้มาเป็นผู้ริเริ่มสอนธรรมะให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติถ้าใครเนี่ยเอาคาสอนของครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติก็สามารถจะได้รู้เห็นในสัจธรรมบางคนก็ที่ว่าสละออกบวชก็มีเยอะแยะนะไม่ใช่ว่าของเล็กของน้อย เพราะว่าการที่ว่าที่เราเวียนไหวาตายเกิดต้องการสมบัติต่างๆเนี่ยก็ทําบุญทําทานกันมาเรื่อยๆแต่ในที่สุดเนี่ยต้องออกบวชต้องออกบวชแล้วเนี่เวลาก็มีเวลาก็เยอ ะ, อะคนที่ได้ออกบวชมาแล้วมีเวลาเยอ ะ, อะจะดูอารมณ์ของตัวเองอต้องสังเกตสังกาที่ว่า อารมณ์ของเราวันนี้มันคิดเรื่องอะไรมันวุ่นอยู่กับเรื่องอะไรสติของเราต้องว่าตามรู้ต้องต้องรู้ว่าอันนี้ขณะนี้เราคิดเรื่องนนอันนี้เราเราไม่ปล่อยให้มันไปคิดเอาเข้ามาที่ว่ากายของเราเนี่ยให้มาดูกายของเราเนี่ยอยามเป็นไปคิดเรื่องนอกอทรัพย์สมบัติทั้งปวงเนี่ยทิ้งไว้ก่อนอ สักเข้าของเงินทองบ้านเรือนอะไรต่างๆมันอยู่ของมันถึงเราไม่ไปจากมันมันก็ไปจากเราเนี่ยมันอยู่แบบนี้ความต้องการของเราในส่วนมากมันผิดหวังให้บอกตัวเองแบบนี้แล้วก็ดูพยายามที่ว่าให้เอาใจใส่ภาวนาที่ว่าเอาพุทธโธนั่นแหละพุทธโธกับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกกับพุทธโธอยู่ด้วยกัน ถ้าใครมีการที่ว่าเพ่งเข้าไปในจุดใดจุดหนึ่งในกายของเราเนี่ยสำหรับอย่างหลวงพ่อนี่ถนัดกระดูกดูกระดูกหน้าอกกระดูกหน้าอกของเราเนี่ยกำหนดกระดูกเนเป็นอารมณ์เอาอยู่แบบนั้นไม่วางเหมือนกับว่าให้สติของเราอยู่กับความนี่แหล ะ, ะในในร่างกระดูกตัวนี้ความเจ็บปวด ที่มันเกิดขึ้นมาอ่ามันเจ็บความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นมาโอ้อ่ามันรุนแรงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับกระดูกจะแตกกระดูกจะหักเข้าวแบบนี้อ่าก็ที่ว่าอ้าวตายก็ตายเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้มันต้องสละตายนีถ้าไม่สละตายเนี่ยใจของเราไม่มีที่ว่าศรัทธาศรัทธาน้อยอ่าต้องถี่ว่าอาศัยศรัทธาสติขันติ ต้องมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีศรัทธาถึงพร้อมแล้วเนี่ยมันเป็นไปมันมันจะเกิดจะเป็นไปศรัทธาตัวนี้ที่ว่าเป็นอ่ามันที่ว่าอ่าจะมีอะไรมาขวางกั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกันละเราต้องผ่านไปให้ได้นั่งข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายมันบอกตัวเองแบบนั้นอ่าไม่มีอะไรจะมากีดขวางตัวเองได้มันจะตายก็ให้มันตายให้ดูอยากจะดูความตายของเรา เวลาตายเนี่ยวิญญาณมันต้องออกจากล่างต้องตั้งสติดูตัวเองแบบนั้นอย่าไปนึกว่ากลัวอย่าไปกลัวจะกลัวขนาดไหนก็ช่างคนที่กลัวผีกลัวเสือกลัวซ้างเนี่ยกลัวขนาดไหนก็ช่างอีกสักวันหนึ่งต้องตายพัดพากจากลูกจากหลานออกจากบ้านจากช่องไปอยู่ในป่านในไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนล่ะจิตวิญญาณนั้นนะต้องไปคนเดียวนั่นให้เราคิดเอาอันนี้ล่ะ ก่อนก่อนที่ว่าเราจะหมดชีวิตนี่จึงบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าฝึกตายก่อนตายจริงถ้าเราฝึกหัดลงจริงๆเนี่ยจิตของเราเนี่มันเป็นสิ่งที่ว่ามันจะเกิดขึ้นมามาเป็นที่ว่ามันเกิดเองได้แต่ศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยขันติความอดทนขันตอิอาศัยขันติอาศัยความอดทนไม่ขยับตัว แม้แต่ลีนก็ไม่กระดุกกระดิกไม่คืนน้ำลายบอกตัวเองว่าเราคือศพเนี่ยให้พยายามสอนตัวเองแบบนี้ทุกคนเนี่ยอีกสักวันหนึ่งลมหายใจจะหมดหายใจพะ ง, งาบผะงาบลูกหลานมานั่งล้อมพ่อเอ้ยนึกพุทโธเด้เอแม่เอ้ยนึกพุทธโธนี่เรานึกไม่ได้มันเจ็บมันปวดในขณะนั้นเราฝึกในช่วงเนี่ยดีที่สุดในช่วงที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ย ฝึกไว้ให้ใจของเราเนี่ยเป็นพุทธโธใจของเรามันอยู่กับพุทธโธแล้วถ้าเราเกิดความที่ว่าจิตใจของเรามันน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วนี่ยใจของเรามันเป็นณนโมใจของเราจะมีความนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนั่นมันก็ที่ว่าเกิดที่ใจของเราความยากลำบากก็อยู่ที่ใจของเราเนี่ยเราทำการทำงานเหนื่อยยากตากเดดตากฝน้วยว่า บางคนก็ทํางานหนักเอาซึ่เรียว่าหนักแค่ไหนก็สู้อดสู้อดทนกลัวจะได้เงินทองมาเลี้ยงตัวเองน่ยก็คิดเอาว่าที่เราเกิดเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานคือเขาใช้แรงงานแบบนี้เขามาฆ่าเนื้อเอาเนื้อไปกินแบบนี้เกิดเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานสารพัด ท, ที่เราตายมาแล้วเนี่ยผ่านความตายมาแล้วนี่ยหลายแต่ละคนละคนเนี่ยตายมาแล้วหลายล้านเที่ยวให้บอกตัวเองแบบนั้นเนี่ย ถ้าใครคิดแบบนั้นล่ะให้จิตใจของเราเนี่ยมันจะคิดไปเรื่องอนไรก็ช่างมันอยากมันอยากจะพักผ่อนอ่ะส่วนมากมันอยากจะพักผ่อนอยากอยู่เฉยเฉยอยากอยู่สบายสบายอ่าบางคนมันหลอกนะอ่าไม่รู้ว่าอะไรล่ะมันหลอกสมาธิมันหลอกก็ได้ไอ้มันบอกว่าเอ้ยไม่จําเป็นต้องไปนึกพุทโธเรานั่งเฉยเฉยเนี่ยสบายกลัวอ่าเราไปนึกพุทโธมันเหนื้อเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีนะไม่ถูกต้อง เ, เสียเวลานะถ้าใครไปหลงบางคนนี่ไปคิดลอยอารมณ์ไปคิดปรุงแต่งไปยกภูเขาหลูกนั้นมาใส่กันอยกก้อนหินก้อนโตโ ต, ตมาปรับปรุงเข้าเป็นถ้ำเป็นอะไรเป็นแปรรูปเป็นสถานที่จะตัวเองจะไปอยู่แบบนี้เหมือนกับบางครัง้งบางสมัยเนี่ยคิดไปเดินจมโลมอยู่บนอากาศไปนีมันคิดปรุงแต่งไปแบบนั้น อันนี้ยหญมันคิดไปมันเสียเวลาเราจะคิดไปไปเอาของที่ว่าอยากได้ น, น้นอยากได้นี่ปรุงแต่งไปแล้วเนะี่ยความที่ว่ามันเกิดความลู้ไปไปไปไปมันก็สนุกดีเหมือนกันการคิดไปนะ่ะแต่เสียเวลาไอ้ดูเพ่งเข้ามาที่ว่ามาสอนตัวเองอย่าให้ใจของเราเนี่ยมันเลิกได้เดี๋ยวมันมันจะหลอกตัวเองนะ เ, เดี๋ยวอ่า มันปวดตรงนี้ขยับนิ้วมือสักหน่อยยกมือขึ้นนิดหนึ่งมันคงสบายขยับขาออกสักหน่อยมันคงสบายเนี่ยระวังตัวนี้บอกตัวเองว่าขณะนี้เราเป็นศพศพขยับตัวไม่ได้กืนน้ำลายไม่ได้ไปไล่มแมลงอะไรก็ไม่ได้นะบอกตัวเองแบบนี้นี่หละสัจจะนี่หละสัจจะความที่ว่า ส, จจสัจจะตัวนี้เนี่ย เราต้องตั้งมั่นไว้ไม่ให้ขยับตัวความทุกข์จะเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องดูดูความทุกข์นั่นแหละทุกในที่สุดเนี่ยมันก็อยู่แค่ตายนั่นแหละทุกก็ไปหาตายนั่นแหละแต่เราเนี่ยถึงพร้อมแล้วดูจะดูความตายของตัวเองอามันเจ็บขนาดไหนคนที่เขาตายนั่นเดี๋ยวนี่เรายังไม่ตาย่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของพวกเราตายไปแล้วนั่น เขาก็ปวดกว่านี้เขาจึงตายนั่นดูแบบนี้เหมือนกระดูกท่อนไหนมันจะหักทานอนนี้มันเกิดขึ้นสารพัดนั่นแหละอ่ามารที่ว่าเป็นมารเกิดขึ้นมามันเป็นมารรบกวนมันหลอกให้เราเนี่ยเลิกเอา้เอานอนก่อนเถอะมันว่าอก็นอนก่อนวันหลังค่อยทำไหมอันนี้มันหลอกเรามาเป็นทำนอง น, นี้ที่เรานั่งภาวนากันที่เรา ไม่เกิดไม่เป็นที่ใจของเราคนที่จะได้เป็นนะภาวนาเป็นต้องดูทุกต้องให้เลยทุกไม่ขยับตัวไม่ขยับไม่กระเพื่อมน้ําลายก็ไม่กืนลีนก็ไม่กระกระเพื่อมทั้งหมดอยู่นิ่งเหมือนศพเหงื่อมันพุ่งออกมาผ้ากีวรเปียกดูมันมันจะทุกข์ขนาดไหนคนที่เขาตายเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายเนี่ย สอนตัวเองทำนองนี้อวิธีวิธีของหลวงพ่อเอาแบบนี้นี่แหละสู้กับทุกขเวทนาสู้ไปสู้มาสู้อดสู้ทนไปเรื่อยเรื่อยความเจ็บมันรุนแรงขึ้นโอ้เอามามายาของกิเลสมันป้อนข้อมูลขึ้นมาเอะเดี๋ยวนั่งนานมันจะเป็นอมพตะน ะ, ะนะตายเลยนั่นถ้าบางคนมันเกจะเอาขาออกนะแต่หลวงพ่อมันบอกว่าตายเลย กูไม่ยอมกูไม่เชื่อมึงอีกแล้วถูกหลอกลวงมานี่กีเที่ยวมาแล้วนี่บอกตัวเองแบบนี้อันนี้แหละสอนตัวเองตัวไม่มีคนอื่นจะสอนพวกเราพระพุทธเจ้าก็แนะนําครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาก็แนะนําแต่มันก็ต่างกันพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านรู้ว่านิสัยของเราเนี่ยเป็นมาอย่างไระะจะพูดจะเทศคําไหนให้จะพูด ป้อนข้อมูลอะไรให้มันจะเกิดปัญญาขึ้นคนคนนี้นะพระพุทธเจ้ามียานอย่างรูปแบบนั้นสำหรับครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ก็มีนะอย่างหลวงตามหาบัวนะมีมีความรู้นะหลวงปู่อ่อนแบบนี้หลวงปู่ขาวแบบนี้หลวงปูขนะงป่ขาวเนะี่ยหลวงพ่อคิดหลวงพ่อมีความเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์มหาบัวเป็นพระรหันพอไปกราบหลวงปู่ขาวเนี่ย ก็คิดขึ้นในใจหลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์เหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังความคิดมันขึ้นมาหลวงปู่ขาวได้ยินพอหลวงปู่ขาวมองมหาหลวงพ่อนี่เป็นแสงเหมือนกับแฟลชถ่ายรูปฟึบมาใส่เลยนะพลังจิตของหลวงปู่ขาวฟึบมาทีเดียวเนี่ยผ้ากีวรกับหนังหลวงพ่อหมดไปแล้วเหลือแต่กระดูกนะพลังจิตนี่มันดูเป็นมันมันเป็นแบบนี้ ถ้าใจเ่าพวกพวกเราตั้งใจเนี่ยถ้าเรามีการตั้งสติฝึกดูหนังเน่าฝึกดูกระดูกตัวเองให้มันเป็นที่ว่าอารมณ์ของเราอยู่กับหนังเน่าอยู่กับกระดูกเป็นอารมณ์เนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความเห็นนี่ท่านป้อนข้อมูลให้เพิ่มไปเนี่ยมันได้เลยมันมันจะเกิดขึ้นมาเลยเห็นร่างกระดูกของตัวเองแล้วเนี่เกิดความเชื่อมัน่น เกิดศรัทธาเชื่อมั่นว่าหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านเมตตาท่านสงเคราะห์เราท่านเป็นผู้มีเมตตาเราเกิดตายเกิดตายในโลกนี้ไม่รู้ว่ากี่ทิชชาติกี่พกเราจะเอาอะไรมาใช้หนี้ท่านเนี่ยมาเห็นคุณของหลวงปู่ขาวแบบนั้นเนี่ยเห็นคุณหลวงตามหาบัวหลวงปูป่พุนจันทร์แบบเนี้ยหลวงพ่อเห็นคุณของครูบาอาจารย์เยอะ น, นะแต่เราก็เป็นคนจนเราเกิดขึ้นมาแล้วกเ็เรื่อง วาสนาบารามีมันก็แข่งกันไม่ได้เราเป็นคนที่ว่าตานีเราไม่เคยทำบุญทาทานเวลาเราเกิดขึ้นมาชาตินี้ก็เป็นคนอาภัพอาบจนเกิดขึ้นมาก็มาตากแดดตากฝนหาอยู่หากินก็ลําบากพิจาจรณาแล้วใช่ปะตั้งแต่เกิดมาเลยก็จนอยู่แบบนี้แหละดิ้นโนหาอยู่หากินเรื่อยมานะาเข้ามาบวชแล้วก็ทุกอยู่แบบนี้แหละ ความเก็บความปวดสารพัด ท, ที่มันเกิดขึ้นมาให้ตัวเองได้รับรู้แต่ละวันละวันความเก็ บ, ค, บ, ค, บความปวดมันเกิด ต, ตรง น, นั่นตรงนี่สารพัด ท, ที่มันเกิดอยู่แบบนี้ถ้าใครสังเกตดูเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมันไม่สบายเกิดมาแก่เกิดมาเก็บมาเกี่ย ม, ม, มาตายมาอยู่แบบนี้เนี่ยพวกเรานี่ส่วนมากก็ว่าเราต้องการจะทาแบบนั้นเราต้องการจะทาแบบนี้ ถ้ามันเจ็บมันป่วยก็วิ่งเข้าไปหาหมอไปพึ่งหมอไม่ได้สังเกตอารมณ์ของตัวเองนีส่วนมากจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครมาสังเกตว่าดูความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาแต่เราเกิดมานั่นแหละความต้องการความต้องการอยากนั่นอยากนี่นี่เป็นทุกข์ได้มาแล้วก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่ก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นแต่เวลาเราจะตายเนี่ยอ มันไม่เรียกว่าที่ว่าอายุจังต้องแก่ก่อนต้องเกจสิบหกสิบเกจสิบก่อนจึงจะตายมันไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่รู้ว่าวันไหนมันจะตายอันนี้แหละหลวงพ่อจึงแนะนําว่าให้ฝึกตนฝึกตายก่อนตายจริงนะวิธีฝึกตายก่อนตายจริงนี่ยมันกระซับเข้ามาหาตัวเราบางคนฟังฟังครูบาอาจารย์ฟังก็ได้ยินแต่หูมันเสียงมันเข้าแต่หูมันไม่เข้าใจ เนี่ยมันเป็นแบบนี้ต้องให้มันเข้าใจต้องให้ที่ว่าธรรมะนี่ให้ให้มันมาสัมผัสกับใจของเรามันจึงจะเกิดที่ว่าได้ได้ความฟังฟังได้ความคือมันเข้าใจท่านเทศไปแป๊บเดียวนี่ยมันเข้าใจนะหลวงตามหาบัวท่านอาจารย์มหาบัวในพศยีบสองท่านเทศให้หลวงพ่อ กุฏิศาลาเขาไม่ได้เอาต้นไม้มาทําน ะ, ะเขาไม่ได้เอาไม้เป็นต้นมาทํากุฏิศาลาเขาไม่ได้เอาต้นไม้เป็นต้นมาทําเขาต้องตัดลงเขาตีโพออกเขาเลื่อยเป็นกระดานพื้นกระดานฝากัวานายช่างเขาจะทําสะอาดกัวานายช่างเขาจะมาประกอบกันเข้ามันง่ายเมือนไรขั้นอยพอแล้วในมัธยมจารย์หยุดเทศน่มันพออันนี้คือได้ความนี่แหละฟังเนี่ยฟังไปเนี่ยมันได้ความ มันก็แปรไปเลยมันบอกว่าการตัดเหมือนกับเราได้ออกมาบวชนะออกมาบวชเหมือนกับได้ตัดออกจากตอไม้แต่ก่อนเราอยู่กับพ่อกับแม่บัด น, นี้เราได้ออกมาอยู่กับวัดคือตัดออกจากความวุ่นวายของโลกมาอยู่กับวัดนะมีโอกาสมีเวลามันแปรแบบนี้อ่านะถูกค้อนทะเนินมานะคำว่าตีโผหลวงพ่อ ก, ก็แปรไปได้เลยนะ หลวงพ่อถูกหลวงปู่บุญจันทร์พูดให้หลวงพ่อไปบิณทบาทบ้านชัยวานไปปูงเอาสาวนักเรียนที่วานปุงแต่งเปาลูกสาวลูกนักเรียนพอกลับมาถึงวัดหลวงปู่บุญจันทร์ไปบินทบาทเอาลูกเอ า, มาเมียด้วยหรอเนี่ยฟุกทีเดียวเนี่ยเป็นหนังเน่าได้นั่นแหละหลวงพ่อก็ว่าการตีโผเหมือนกับตีโผเหมือนกับทุกเหมือนกับตีโผเหมือนกับพาเจ้า เอานะีไม่ใช่เอาเจ้าเจ้ากบไปใส่เอาเลยนะต้นไม้ต้องตีโผลออกก่อนต้องเลื่อยออกก่อนอันนี้ใจของเราเนี่ยมันติดมันติดอยู่ในกามกินเกียดเป็นวัฏฏทุกวัฏฐวนคำว่าวัฏฏทุกวัฏฐวนเนี่ยคนละหลายล้านเที่ยวที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้แต่เราก็จําไม่ได้อ่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคนละหลายล้านชาติเนี่ยแต่เราเนี่ก็ ไม่รู้อะไระพูดไปก็พูดไปเรา ม, มันไม่ได้เกี่ยวกับเราส่วนเรานี่ต้องไปแบบนั้นต้องไปแบบนั้นมันคิดไปของมันมันเป็นฝืนมันฝืนไปทำนองนี้แต่คนฟังเข้าใจนี่ท่านพูดไปแบบนั้นมันก็เข้าใจมันเชื่อท่านอาจารย์มหาบัวเนี่เป็นพระอราหันต์ที่มีความประเสริฐที่มีความลู้แตกสารลู้ชาติพบลู้อดีตชาติของเราได้ รู้ว่าอุปนิสัยของเราจะพูดอะไรให้ป้อนข้อมูลให้อะไรทำนองนี้ป้อนข้อมูลเข้าไปเนี่ยท่านรู้แบบนี้ล้วงพ่อนี่มีความเชื่อมัน่นแบบที่ว่าถ้าเป็นครั้งพุทธกาลท่านอาจารย์มาบัวเหมือนกับภาษาลีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเปี่ยมล้นมันเห็นแบบนั้นเห็นคุณของครูบาอาจารย์อันนี้แหละอันนี้แหละถ้าพวกเราเนี่ยให้สนใจดูกายของตัวเองอย่าปล่อยกายเนี่ย อย่าปล่อยความคิดความอยู่ความเป็นอยู่ของตัวเองหากินไปวันวันไปเรื่อยๆวันเวลาเนี่ยมันกินอายุของพวกเราวันเดือนปีกินอายุของเราไปเรื่อยๆมันผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่เหลืออีกอกีก่วันกี่เดือนอายุของพวกเราบางคนก็จะเป็นปีสองปีสิบปีหาปีอะไรก็ไม่รู้แหละแต่พวกเราเนี่ยอย่าไว้วางใจ ให้ดูให้เป็นปัจจุบันถ้าใครดูกายของเราให้เป็นปัจจุบันเนี่ยรีบเร่งถ้าใครเตือนตัวเองว่าเออบางทีวันพรุ่งนี้ของเราไม่มีถ้าเราตายคืนตายวันเนี่ยกลับไปเนี่ยยังไม่ได้ตื่นนอนไปแล้วหมดไปเลยเนี่ยทำนองนี้เตือนตนแบบนั้นแหละที่ว่ามันจะได้ที่ว่ามันจะได้ถึงพร้อมสติของเราเนี่ยมันจะเข้าไปค้นกายของตัวเอง กายของเราเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่ว่าจะแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ในตัวของเรากระดูกก็ผุพังเส้นเอ็นก็ผุพังเนื้อหนังก็เปื่อยเน่าตับไตไส้ปอดอทุกสิ่งอยู่ในกายของเราเนี่ยเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดทั้งหมดถ้าเราพิจารณาดูของเหล่านี่แหละฝึกดูตัวนี้อย่าปล่อยอารมณ์ไปข้างนอกถ้าใครสนใจดูดูตัวนี้หลวงพ่อว่าเป็นสิ่งไม่เหลือวิสัย วันหนึ่งเราต้องได้เจอมันต้องเกิดขึ้นกับใจของเราถ้าใจเราเกิดเกิดขึ้นมาแล้วนี่เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาแล้วนี่ใจของเราเนี่ยจะได้บวชอ่จะได้บวชใจอ่อันนี้วิธีบวชใจบวชแบบนี้บวชกายนี่บวชไม่ยากอุปชาอาจารย์นั่งหัตถบาตรมาพระสงฆ์นั่งหัตถบาตรพ่อแม่อนุญาตให้บวชอันนี้บวชกายบวชได้ แต่วดใจนี่ต้องสละตายทํานองนี้อันนี้แหละญาติโยมก็มีโอกาสพวกเรามีลมหายใจแล้วก็มีความโลภ ก, กันทุกทุกคนทุกคนเนี่ยมีความโลภมีความโกรธความหลงความรักความชังถ้าใครมีประเภทนี้อยู่ในใจของตัวเองแล้วสามารถภาวนาได้ก็เป็นไงวาธรรมะนี่เป็นคู่แข่งกันกับสิ่งเหล่านี้ธรรมะอ่ะเราดูความความอยากของตัวเองนี่แหละ ความอยากได้นอนอยากได้นี่อยากร่ำรวยที่สุดในโลกอยากสวยที่สุดในโลกมันต้องการอยากอยู่นานๆไม่อยากจะตายก็ให้เราคิดเอาถ้าคนไม่ตายเนี่ยไม่มีที่อยู่นะไม่มีที่อยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาที่พวกเรามองเห็นทุกวันนี้ก็ปูย่ย่าตายายพ่อแม่พวกเราเนี่ยถางเมื่อตะกี้นี้อ่เมื่อส0 40ิบหสปีเมื่อก่อนนี่แค่นั้น แต่ก่อนมันเป็นโดง่งแต่ก่อนไปอีกเนี่ยเป็นเมืองนะเป็นประเทศเป็นขอมอ่ะเป็นคนเผ่าขอมมาอาศัยอยู่แถวนี้ก่อนขอมไปอีกก็มีไม่รู้ว่ากี่เผ่ากี่ภบมาแล้วอันนี้แหละพื้นดินอยู่แบบนี้ไอ้กิตวิญญาณเนี่ยก็พวกเราเนี่แหละที่พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดในยุคนี้ก็ที่ว่าเป็นประเทศไทยอีกต่อไปข้างหน้า ถ้าคนกลุ่มนี้มันตายไปหมดอีกเกิดโลกภัยขึ้นมาตายหมดโลกแล้วก็เป็นปลาเป็นโดงขึ้นอีกมาเกิดใหม่อีกทํานองนี้อันนี้แหละการเวียนว่ายตายเกิดแต่ก่อนเนี่ยไม่มีความเชื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่มีความเชื่อแต่ถ้าใจของเรามันเกิดขึ้นมันก็ได้เชื่อแล้ววันนี้มันเห็นภพชาติที่ว่าตัวเองนี่มาลอยกระแสโลกเกิดในโลกนี้ ในวัตทุกวัตวนลที่เรามาเวียนว่าตายเกิดโอ้ oh, เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมองพิจารณาไปในอดีตของตัวเองมีแต่ตายกับตายะจะสวยขนาดไหนก็ตายจะรวยขนาดไหนก็ตายมีความสุขจะรวยขนาดไหนก็ตายเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นขึ้นชื่เว่าความเกิดแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาความทุกมาด้วยเอาความเอาโลกภัยไข้เจ็บเอาความทุกมาด้วย เกิดขึ้นมาแล้วก็ลังแก่กันยื้อแย่งแข่งดีแย่งสารพัด ส, สารพันั่นแหละทุกวันนี้ก็แย่งเศรษฐกิจแย่งการฝากักฝ่ายบ้านเมืองสารพัดนั่นแหละกลุ่มนันกลุ่มนี้สารพันั่นแหละก็อยู่แบบนี้แหละโลกเกิดขึ้นมามันก็ที่ว่าสมัยที่ว่าจเจริญก็จเจริญทุกวันนี่แหละเครื่องบินเต็มสนามอยู่เขาก็ไม่ได้บิน น, นั่นเขาก็หยุดได้ อยู่ๆถ้าบรร น, น้ามันมันหมดจากพื้นดินเนี่ยรถมันก็ไม่มีประโยชน์อีกนะเครื่องบินก็ไม่มีประโยชน์อีกอันนี้แหละมนุษย์ของเราเนี่ยเกิดโรคภัยที่ว่าเกิดโรคร้ายแรงหรือว่าเขายิงขีปนาวุธใส่กันเนี่ยตายล้างโลกไปเนี่ยอันนี้แหละมันไม่แน่สิ่งเรานี่อย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ได้นา น, าน คิดว่าตัวเองเนี่เออเดี๋ยวนี้เพิ่งจะได้3 0มสิบี่สิปีคงเหลือเท่านั้นเท่านี้มันจะคิดเอาแบบนี้ถ้าใครคิดแบบนั้นไม่เป็นต้องเตือนตัวเองนะเด็กๆ ก, ก็ทำได้เหมือนกันอย่าไปคิดว่าอายุแกค่อยเข้าวัดเข้าวาตัวเราหนุ่มนี่แหล ะ, ะเราหนุ่มช่วงเราหนุ่มเขาเกณฑ์ทหารก็เอาคนหนุ่มเขาทหารเขาก็เอาคนหนุ่ม ฝึกงานอะไรเล่าเรียนศึกษาอะไรในช่วงหนุ่มเนี่ยมันมีสมองมันมีความกล้าจิตใจมันก็กล้าถ้าแกมาแล้วเนี่ปวดสารพัดอ่าเรามีกายเนี่ยอ่ามีหัวปวดหัวมีตาปวดตามีขามีอะไรปวดไปหมดกระดูกในตนตัวของเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่ว่ามันเป็นทุกข์อันนี้แหละให้เราดูถ้าเราน้อมดูกายของเราเนี่ย มันที่ว่าวันเป็นวันวันเกิดขึ้นมานี่มีแต่ทุกเกิดขึ้นความสุขเนี่ยที่จิตใจของเราจะล่าเริ่งเบิกบานมีจิตใจเ อ, อิบอิ่มเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเป็นมีแต่ทุกเกิดขึ้นมาเราต้องการแบบนี้ลูกคนนั่นอยากได้สิ่งเหล่านี้เขาต้องการรถเขาต้องงานเงินเขาต้องการที่ดินเขาต้องการบ้านพ่อแม่หัวหมุนอยู่ คนทุกวันนี้เป็นอยู่แบบนี้เราจะเอาอะไรไปใช้นีอ้อาทิตย์จะมานี่เดือนหน้านี่เขาจะม า, าทวงหนี้ตัวนั้นหนี้ตัวนี้เขามันเกิดขึ้นมาจำนอนนี้อันนี้แหละโลกมันอยู่แบบนี้ความสุขความทุกข์มันก็ปนกันอยู่นี่แหละโลกเกิดขึ้นมาวุ่นวายอยู่แบบนี้ถ้าเราสอนตัวเองให้ใจของเราเข็นปัจจุบัน แอมาน้อมดูปัจจุบันถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันเกิดคิดสู้แบบที่ว่าหลวงพ่อพูดให้ฟังนมันก็แต่ว่าจะได้เกิดความรู้ความเห็นเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความเบื่อที่ว่าเห็นในอดีตชาติของตัวเองที่มาตายในโลกนี้หลายล้านเที่ยวที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดโอ้โหที่เรามาเกิดในโลกนี้ อายุแค่23ปีเนี่ยก็ทุกขนาดนี้นะหลวงพ่อมันร้องแบบนั้นนะนะพศ22นะพศ22อายุ23ปีมันเห็นทุกข์แบบนั้นแหละมันเห็นทุกข์ว่าเป็นวัตฏทุกข์วัตฏวุลอนันนญาติโยมก็มีลมหายใจมีความรักความชังน ะ, ะความที่ว่าธรรมะมันก็อยู่ด้วยกันมันก็อยู่ตรงนี้แหละตรงหัวใจเรานี่แหละตรงหน้าอกของเราเความรู้มันอยู่ตรงนี้ มันจะเกิดตรงนี้ให้น้อมเข้ามาหากายของเราอ่ามันคิดเรื่องอะไรมันอยากร่ำอยากรวยมันอยากจะไปค้าขายอะไรทำอะไรต่ออะไรเศรษฐกิจวุ่นวายมันก็ดูเขาเกิดโรคเกิดภัยมันก็ดูน้อมเข้ามาหาตัวเราถ้าเรามาดูตัวเองจริงๆเนี่ยหลวงพ่อว่าอ่าวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องมีสิทธิ์ได้เจออ่าแล้วก็มีศรัทธาแก่กล้า บอกว่าเราจะตายเราจะต้องตายไม่เหลือไม่รอดคงไม่รวยคงตายแน่นี่มันมีความเชื่อมั่นแบบนี้เกิดขึ้นมาเก่มาเก็บ ม, มาตายอยู่แบบนี้ทุกคนทุกคนเราจะไปเอาอะไรมีเงินเป็นแสนล้านก็ช่างอีกวันหนึ่งต้องตายจากทรัพย์สมบัติไปจะมีบริษัทบริวารขนาดไหนก็ช่างพระราซาหมากกษัตริย์ในสมัยก่อน ลบลาข่าฟันกันที่ว่าตัดคอกันตายแล้วก็ยึดเอาเมืองกันยึดเอาสมบัติกันพวกเราก็ตายมาทํานองนี้ฆ่ากันตายในสนามโลกมาหลายเที่ยวเนี่ให้เราน้อมดูดูอาการที่ว่าความเก็บความทุกขเวทนาที่เราเก็บปวดนั่งภาวนาก็ขนาดนี้ถ้าเราไปตายอยู่ในสนามโลกถูกเขาเอาหอกแทงเนี่ยเขาดาบฟันแขนขาดขาขาด วิ่งนีไปเราเนี่ยจะปวดขนาดไหนเลือดไหลสาดออกไปเนี่ยเนื้อตัวสั่นทั้งปวดทั้งเก็บแผลก็ไม่มียาจะรักษาเอาตัวรอดอ่าเขาก็ยังตามล่าอยู่นะวิ่งหนีจะว่าอดข้าวอดน้ำตายในป่าในสารพัดนั่นแหละหลบซ่อนตัวในช่วงสงครามอันนี้เราตายกระเสือกกระสนแบบนั้นเนี่ยมาหลายเที่ยวแล้วให้เราสอนตัวเอง ที่เรานั่งภาวนานี่ไม่มีใครหลังแก่เรานั่งอยู่เฉยเรานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธเนี่ยเราไม่มีอุปสรรคเหล่านั้นไม่มีความจเจริบหลีกไม่มีอุปสรรคเหล่านั้น อ, อันนี้ลหละวิธีวิธีที่ว่าที่จะได้พ้นทุกข์ก็ต้องมาดูลมหายใจลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าพอลมขาดเนี่ยใจของเรามันจะวางมันไม่ยึดติด แต่กอมนะว่าขากูเจ็บตัวกูปวดอ่าความคิดมันปวดแบบนั้นมันปวดแบบนี้สารพัดมันยึดติดความอะไรอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยมันยึดติดมันว่าตัวกูเนี่ยพอมันปล่อยวางว่าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นท่าดินมันเห็นตัวเรานี่ยเป็นท่าดินอ่าถ้าถ้าถ้ายังไม่จิตของเรามันยังไม่วางเนี่ยมันก็ยึดอยู่นั่นแหละก็ปวดอยู่นั่นแหละ ยังมีอัตราตัวตนอยู่นั่นแหละถ้ามันวางมันสบายนั่นแหล ะ, ะท่านจึงบอกว่าถ้าจิตของเรามันวางลงไปนี่ความสุขเนี่ยมันไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้กินนั่นกินนี่หรอกอ่พอเราได้กินนั่นกินนี่กินแล้มก็หิวอีกออีกไม่นานมันก็อ่าหิวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกแต่ความอึบอิ่มเกิดขึ้นจากที่ว่าจิตของเรามันวางนี่มันสบาย มันรู้มันเห็นมันทั้งรู้ทั้งเห็นมันเป็นตัวรู้ตัวเห็นมันเห็นสภาพที่ว่าตัวเองเกิดเวียนว่ายตายเกิดนะั่นมันเห็นสภาพตัวนั้นเห็นอดีตของตัวเองเนี่ยมีแต่ตายกับตายเกิดขึ้นมาเป็นลูกพระญามหากรรษัตริย์ก็ตายนะเป็นลูกมหาเศรษฐีก็ตายจะเกิดเป็นสัาเดรสารเป็นคนยากจนเขินใจก็ตายนะมันลงที่ตายหมดอันนี้แหละให้เราสอนตัวเอง สอนตัวเองให้มันเป็นปัจจุบันณจิตปัจจุบันธรรมใจของเรามันจะเกิดความตะล่อมตะล่มเข้ามาแต่แต่อันอันดับแรกเนี่ยมันจะไปคิดไปยึดตัวนั้นไปยึดไล่ยึดนายึดลูกยึดหลานสารพัดนั่นแหละแยกแรกๆนะต่อมานี่ยกายทุกข์บาเนี่ยมันก็มาคิดห่วงกายอีกเอ้ขาเราจะหักนะตัวเราจะเป็นแบบนั้นตัวเราอย่างนบ้นี้นะแต่หลวงพ่อนี่เอาอะดูมันไม่ใช่กาย กายของเรานี่ทั้งตัวเรานี่เป็นธาตุดินกําหนดให้มันเป็นธาตุดินกําหนดดูกระดูกระดูเปลยเน่าลงเป็นธาตุดินเนื้อหนังตับไตไส้ปอยเปลยลงไปแล้วเป็นธาตุดินดูตัวเองแบบนี้อันนี้แหละวิธีดูดูที่นี่ธรรมะมันอยู่กับกายกับใจของพวกเราแต่เรากอ็อยากจะได้ยินได้ฟังอยากจะถามปัญหาครูบาอาจารย์แบบนั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่ไม่ได้สนใจดูตัวเองหลวงเพราะว่าให้ดูตัวเองนั่นแหล ะ, ะการไปถามเนี่ยการที่ว่าจะจะฟังเยอะๆเนี่ยก็ฟังเอาอเอานิดๆหน่อยๆก็พอแล้วขอให้ดูกายสติสตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าขาดสติถ้าสติของเราไม่มีเนี่ยจิตของเราเนี่ความตั้งมั่นไม่มีมันก็ ไม่มีปัญญาจะเกิดขึ้นอันนี้แหละให้สู้กับทุกขเวทนาแต่มีสติรู้เท่าอารมณ์ของตัวเองดูความทุกข์ดูความทุกข์กไปแล้วมันก็จะจะมีปัญญาขึ้นมาสู้อา้าวปวดแค่นี้ยังไม่ตายคนที่ตายมันปวดกว่านี้อันนี้มันเป็นปัญญาของมันนะอ่าอันนี้มันก็หาวิธีว่าจะแยกจิตออกจากกายจะแยกจิตออกจากกายหาวิธีแยก แยกของตัวเองเอาไปเอามานี่ถ้าเรายังตามตามความรู้ความเห็นเนี่ยมันคิดว่าเอ๊ะใจของเราทำไมมันปุงไปแบบนี้มันปรุงไปแบบนี้จะตามไปเรื่อยๆนี่ตามไม่ทันต้องหยุดคิดอ่าหลวงพ่อหยุดคิดเอาถ้าหยุดคิดมันทัน่าแต่ตามนี่ไม่ทันเราหยุดคิดหยุดคิดไม่เอาออเรื่องความอะไรก็ช่างมันปล่อยวางไว้หมดนั่นหละ ถ้าใจของเรามันวางในที่สุดก็เกิดความรู้ความเห็นอันนี้ความรู้ความเห็นมันจะเกิดต้องใจเราต้องต้องสู้ต้องดูกายแบบเข้าสมาธิเนี่ยนั่งภาวนาหายใจพุโทโธพุโทโธเข้าไปบางคนก็พุโทโธไม่ได้นึกจิตมันรวมไปเลย อ, อันนี้เป็นโมหะสมาธิก็มีน ะ, ะมันก็เสียเวลาอยู่นั่นแหละ มันก็นิ่งอยู่นั่นแหละมีความสุขเกิดความเอิบอิ่มอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มีปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาสอนตัวให้เราเข็ดหลาบในการที่เราเวียนว่ายตายเกิดถ้าใจของเรามันมีปัญญามันทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วเนี่ยมันเห็นทุกข์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะมันจะล่องเลยโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่มตาตัู้้กี่องค์มาแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ที่ไหนนะมันสงสารตัวเอง มันจะเกิดขึ้นทำนองนี้อันนี้แหละพวกเราหลวงปู่ศีมาตั้งหลักปักฐานอสอนหลวงปู่อินหลวงปู่ทองอินหลวงปู่ีนะอยู่ในเมืองสารคามนะหลายองค์ที่ท่านให้ธรรมะแก่พวกเราให้พวกเราตั้งอกตั้งใจอย่าคิดว่าเป็นของไม่มีะจะมีเฉพาะของท่านไม่ใช่มีทุกคน ถ้าเราตั้งอกตั้งใจหลวงพ่อว่าอยู่เลยตายนิดหนึ่งนั่งภาวนาไปนี่ให้มันเลยตายเลยตายเนี่ยขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนจึงว่าเลยตายสบัน้นอ่าจึงว่ามันหมดมันหมดความเกี่ยวข้องมันไม่ห่วงไม่มีความอะไรยึดในกายในตัวของเรานั่นแหละมันสละตายนั่นแหละสบัน้นมันเจ็บมันปวดในที่สุดของที่สุดนั่นแหละ อมันดูดูทุกที่เกิดขึ้นนั่นแหละกำลังใจมันก็เทียบใส่เลยเวลามันทุกข์ขึ้นมาเออแต่เราอ่เป็นโยมอยู่นั่นเคยฆ่าปลาเคยเผาปลาข้าเผาเคยตีหัวไก่ปาดคอเป็ดคอไก่ฆ่าหมาฆ่าอะไรสารพัดน่ะอ่ฆ่าปูปลานี่เยอะกบเขียรนี่เยอะนีน่มันก็เทียบเอาแบบนั้นแหละที่เราฆ่าเขานะ่ะฆ่าจนตายเดี๋ยวนี้เรายังไม่ตายเนี่ยสอนตัวเองแบบนี้ มันอยู่ใกล้ตัวน ะ, อ, ะอย่าคิดว่ามันเป็นของห่างตัวนะหลวงพ่อว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไปมองข้ามไปฟังไปเปิดไปเปิดหลวงตาเปิดหลวงปู่ีหลวงปูล่ล่าหลวงปู่เหลียนหลวงปู่ อ, ะ, อะไรฟังจนหมดคืนหมดวันตื่นขึ้นมาก็หมุนไปฟังอีกฟังต่ออีกลับไปอีกอันนี้ไม่ได้เ อ, เอาวิธีนั้น ต้องนั่งสู้กับทุกขเวทนาดีกว่าฟังไปก็ฟังแต่ให้ให้เกิดจากตัวเองนี่ดีที่สุดน้อมดูน้อมขมาดูกายตัวเองนี่ดีที่สุดอันนี้แหละหลวงพ่อที่ว่าที่เวียนว่ายตายเกิดโคงมาเกิดเนี่ยเมืองสารครามเนี่ยหลวงพ่อเคยมาเกิดหลายเที่ยวแล้วมันคงมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดพ่อแม่ก็เกิดในเมืองสารครามทั้งหมดทั้งทั้งพ่อทั้งแม่นั่นะเกิดอยู่นี่แหละ มันก็คิดว่าในอดีตชาติที่เรามาเวียนไหวตายเกิดตายมาในเมืองสารคามเนี่คงหลายสิบเที่ยวมาแล้วแต่ละคนละคนก็เวียนไหวตายเกิดไปทั่วโลกอ่าไม่แต่เราไม่เคยเกิดเคยเห็นอ่าเคยมีความรู้ความเห็นเนี่ยสำหรับหลวงพ่อนี่แต่ก่อนก็ไม่เคยเชื่อว่ามีเปรตมีผีประเภทนี้แต่เวลาเจอเนี่ยมันมีจริงๆนะอ่าที่ว่าพวกเรานี่ ถ้าพวกเราคิดว่าเออผีเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนนะถ้าไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยมันจะฆ่าคนได้ยังไงมันฆ่าคนได้อ่าพวกเปรพวกผีเนี่ยเขาฆ่าคนได้ถึงเวลาเขาจะฆ่าฆ่าเราเขามีตัวมีตนขึ้นมาอ่าเขาบีบอ่าเขาบีบหลวงพ่อนี่ยเขากำเขากำตัวหลวงพ่อเนี่ยมือเขาใหญ่กำรอบเลยเขาบีบเข้าเนี่ยกระดูกจะแตกไปเลย นะมันเป็นแบบนี้ไอเปตเปตภูพระบาทบัวบกเปตพระผูพระบาทบับกเขาเป็นพระสมัยขอมสมัยขอมมายึดครองในแผ่นดินแถวนี้พระบาทบับกเนี่ยอําเภอบ้านผือเนี่ยนี่แหละก้อนหินโตๆมีถ้ามีเพิกหินนั่นเปตมันอยู่ที่นั่นหลวงพ่อไปพูดผิดเขาผีผูพระบาทตัวไหนมันเจียงมาสู้กับกู โอ้ไม่เคยกลัวพูดผีผีศาสตร์เนี่ยไปพูดแค่นี้แหละไปพูดท่าทายแบบนี้มันมาบีบหลวงพ่ออ่าพอบีบแล้วเนี่ยกระดูกเนี่ยมันบีบมันไม่ไม่เหมือนกับพวกเราจับกันนะพวกเราจับกันมันถูกผิวหนังกับจับแขนจับขากันหมอเสน้นหมอเอ็นเขาก็บีบก็เจ็บเหมือนกันนั่นแหละอ่าแต่เปดบีบเนี่ยกระดูกจะแตกนะเปดบีบหลวงพ่ออันนี้พศยีบเก้า พอศยีออกจากวัดป่าบ้านพ่อออกจากหลวงพ่อทูลก็เลยไปอยู่พระบานบบโบปีพศยีบเกไปอยู่กับหลวงพ่อนิพนหลวงพ่อนิพน์เดี๋ยวนี้ก็อยู่บ้านซาลาน้อยวัดซาลาน้อยนั่นนะอยู่ด้วยกันอันนี้แหะถูกเปดตบีบอยู่ที่นั่นหลวงพ่อจึงว่ามันมีตัวมีตนมันจับขาเขย่าก็ได้มันมาจับมา นวดขาให้เราก็ได้มันมานวดเส้นให้เราก็ได้ไอ้พวกเปรตพวกผีไม่ใช่ว่าเขาไม่มีตัวไม่มีตนแต่เรามองไม่เห็นเขาแต่ถ้าจิตสงบเนี่ยเห็นถ้าเขาไม่ต้องการให้เห็นก็ไม่เห็นสงบก็สงบอยู่นั่นแหละมันไม่เห็นเนี่ยก็เป็นบางครั้งเนี่ยที่จะเห็นแต่บางครั้งเนี่ยไม่สงบยู่ยูน่นี่เห็นเลยเห็นพวกจิตวิญญาณอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะให้เห็น ไอ้จิตวิญญาณเหล่านี้อันนี้แหละที่ว่าเปดผีเนี่ยเขาก็มีฤทธิ์เหมือนกันมีฤทธิ์มีเดชเหมือนกันแต่เขาก็กลัวกรรมถ้าเขาฆ่าหลวงพ่อตายเขาก็จะเป็นเปดนานไปอีกเขาก็กลัวตัวนั้นแหละเขาคงกลัวตัวนั้นแต่ของหลวงพ่อพอถูกเปดบีบเนี่ยมีตัวหนึ่งพุธขึ้นมานะเปดบีบเนี่ยพอเขาบีบเนี่ยประมาณวสองวินาทีเนี่ยยังไม่ถึงนาทีนะเขาบีบเนี่ย พอเขาเขาเขากรรมตัวเนี่ยกรรมรอบตัวทั้งแขนทั้งซี่โคงเนี่ยมันเข้าหากันเลยเขาบีบมือเขาใหญ่มือเปีดเท่าใบตาลเนี่ยมันกรรมพึบเข้าไปเนี่ยกรเหมือนกับเรากำกบกำเขียดแบบนี้กำลูกไก่แบบนี้เขาบีบเข้าเนี่ยมันจะตายกระดูกจะแตกใจก็จะขาดแต่ของเราว่ามันตัวหนึ่งพุดขึ้นมาลูกศิษฐ์ตาข้อไม่เคยกลัวตาย พวกไม่มีตัวตนเราจะสู้น่มันขึ้นแบบนี้พอตัวนี้ขึ้นแล้วเขาปล่อยอพอหลวงพ่อกลับมานั่งภาวนานั่นแหละในช่วงที่ว่าถูกบีบน่นนะขยับตัวไม่ได้ยืนนิ่งเลยกลางวันนะไม่ใช่ว่ากลางคืนนะผีบีบหลวงพอ่อเปรตบีบหลวงพอ่อเอากลางวันอขยับตัวไม่ได้พ่อขยับตัวได้เนี่ยก็ ทำให้เลือดมันไหลเวียนย่าเท้าอยู่ก่อนขยับมือขยับแขนอวยแขนอะไรสารพัดนี่แหละทําให้เลือดมันเดินเพราะตัวของเราเนี่ยมันเย็นไปหมดซาไปหมดเหมือนกับขนเราเนี่ ย, ยาวเป็นคืบขนมันตั้งออกถูกเปรตบีบนั่นแหละความความเจ็บความปวดมันเกิดขนลุกซากลางวันแสกแสกแต่ไม่เห็นตัวเขาในขณะนั้น แต่พอจิตสงบนะมันจึงได้เห็นได้รู้ได้เห็นขยับตัวได้แล้วก็ค่อยค่อยเดินขยับได้ทีละนิดทีละนิดขยับไปเรื่อยๆก็ได้ประมาณโล่มตีนขยับไปเรื่อยๆก็ได้เป็นฟุตทำนองนี้กวจะเดินได้ปกตินี่ตั้งนานนั่นแหละถูกเปรตบีบอ่ามันก็แรงพอสมควรนั่นแหละเปรตขีนั่ น, น, นบางคนก็ว่าไม่มีตนไม่มีตัวมันจะมาทำเรายงได้อย่างไร แต่หลวงพ่อนี่ก็มีความเชื่อพราะถูกตัวเองตัวเองได้เห็นได้เห็นมา เ, เองอัน <store S 1> นี้มันเห็นมาเองมันก็อะไว่าเกิดก็จะว่าผลกรรมของพวกเขานี่แต่สมัยเขาเป็นพระเนี่ยเขาเอาเงินเงินที่ตัวเองที่ว่าเขาเอาน้อมเงินมาให้สร้างศาลาสร้างโบสถ์วิหารสร้างกุฏิศาลาอะไรต่างๆเนี่ยตัวเองเอาไปให้ลูกให้หลาน ไปซื้อวัวซื้อควายเนี่ยเห็นแตรลูกเจรหลานก็เลยเป็นเปรตในหลักขนกรรมของเปรต เ, เหล่านั้นที่อยู่ภูผาบาดบบนั่นในที่สุดหลวงพ่อก็ที่ว่าเดินได้ไปถึงบ่อน้ําไปถึงบ่อน้ําก็อไปตักน้ําขึ้นมาอาบพออาบน้ําอยู่นั่นแหละพอนั่งอาบน้ํานั่นใจมันคิดขึ้นมาว่อาอ้าววันนี้เราหมดโอกาสที่จะไปกราบ ไปกราบลาครูบาอาจารย์วันนี้ถึงเราจะแต่งบาดนี้เราก็ต้องตายเราต้องตายอยู่ในที่นี่มันมันน้อมัมนมันสละตายแล้วในขณะนั้นมันไม่มีที่พึ่งแล้วเราต้องตายแน่ๆมันบอกว่าตัวเองต้องตายอยู่ภูผาบาดบัวบกอยู่ในภูเขานั่นที่นั่นไม่มีโอกาสจะกลับมากราบท่านอาจารย์มาบัวหรือหลวงผู่บุญจันทร์ไม่ได้มีโอกาสมากราบแล้วพอคิดตัวนี้น้ําตาไหล น้ำตาไหลร้องให้ว่าตัวเองนี่พัดภาคจากคูบาจา์มาเที่ยวมานี่ยังไม่ได้กราบคืนไปแล้วเราจะตายอยู่ที่นี่มันคิดขึ้นมาแบบนี้มันก็จิตก็น้ำตาร่วงต่อมาก็คิดใหม่อีกอา้าวเมื่อตะกี้นี่เขาจับตัวเราวันนี้เขาจะหักคอนะมันเตียนสติตัวเองขึ้นมาพอเตียนสติแค่นั้นละ่ะจิต ส, สติจ้องลงไปดูกะโหลกคอนะ พุโทโธอยู่กับกระโหลกคอเห็นกระดูอะไรวะนี่เห็นกระดูะดคอตัวเองเลยนั่นไม่ได้ไม่ได้หลับตานะลืนตาก็เห็นกระดูกคอของตัวเองน่ะจิตมันมันตั้งมั่นเข้าเลี้ยวนะถ้ามันกลัวตายเนี่ยถึงเวลาจนตอกแบบนั้นละ่ะมันมันเป็นสมาธิไว้แล้วที่มันมันจนตอกนั่นอ า, อาบน้ำเนี่ยอาบน้ากำหนดดูตัวเองเนี่ย เห็นกระดูคอตัวเองได้แล้วนั่นอาบน้ําเสร็จก็เดินขึ้นถ้าตากผ้าอาบน้ําเสร็จแล้วก็คุมจีวรเข้าในกฎเข้าในกฎแล้วก็เริ่มคิดว่าจะสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์จะสวดเยอะเยะกว่านี้จะสวดพิสดารไปหมดเลยตัวเองสวดอะไรได้จะสวดทั้งหมดคิดว่าจะสวดเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงคิดแบบนั้นเลยนะวันนั้นแต่ไม่สมหวัง มันผิดหวังพอเริ่มอรหังส ม, มาสัมพุโทโธพระกวาเนึงบทสุปฏิปันโนซาวะกัซังโคสังคังนามามิไม่ได้กาบจิตรวมก่อนยกมือขึ้นหัวจะกราบไม่ได้กาบสังคังนามามิยังไม่ได้กาบจิตรวมฟุบลงไปสว่างโล่ไปเราอยู่ในถ้ำตามปกติมองข้างนอกไม่เห็นเราต้องออกมาหน้าถ้ำจึงจะมองเห็นข้างข้างนอก อันนั้นเราจิตสงบอยู่ในธรรมแต่มันกลับมองเห็นทะลุปูโปงไปเลยเหมือนกับไม่มีสิ่งปิดบังไม่มีก้อนหินจีดกันอะไรเหมือนกับเราอยู่โลกโลกนะก็ปรากฏเห็นว่าในเพิงหินข้างด้านทิศเหนือที่อยู่ของตัวเองนั้นมีเปรตสองตัวนั้นมันเดินเข้ามาหาหลวงพ่อพอเดินมาเนี่ยังไม่ถึงหลวงพ่อชี่หน้ามันเลย ไอ้พวกนี้มันหึงไม่มามากกลัวนี่เราก็ไม่กลัวพวกไม่มีศีล ร, รมบวชเข้ามาแล้วไหมรักษาธรรมวินัยมันก็เป็นเปรตอยู่นี่นี่แหละหลวงพ่อว่าให้มันแบบนี้มันก็เดินเข้ามาใกล้ๆมายืนเฝ้าหลวงพ่อหลวงพ่อว่าท่าเดียวมันไม่พูดสักคําต่อมามันก็เดินกลับพอมันเดินกลับไปนั่นแหละพอมันเดินกลับแล้วก็หลวงพ่อก็เห็นว่าเออพวกเหล่านี่ไม่เหมือนกับเราไอ้เรานี่อยู่ในถ้า ต้องอาศัยทําความสะอาดใต้ถ้าแล้วก็อยู่ในถ้ำอยู่อาศัยเพิงหินอยู่ในเพิงหินในถ้ำแต่เปตนี่เขาไม่ได้อยู่แบบนั้นเขาเดินไปเดินไปะล่างเขาไปเสื่อมเข้าก้อนหินนั่นหลวงพ่อเห็นแบบนั้นเป็ทั้งสองตัวนั่นเขาอายุแก่แล้วนะในช่วงนั้นอาพศยี่สิบเก้าหลวงพ่อก็สามสิบอายุแค่สาสิบพันษาสิบนะพรรษาแค่สิบแค่นั้นหละอันนีหละ เขาได้เป็นพระเถระเขาบวชมาจนแก่แต่พอทําผิดทําวินัยนิดเดียวาสามารถเป็นเปรตได้เลยนี่แหละใจถ้าใจของเรายังไม่เป็นพระรหันต์จะไปสงเคราะคนจะไปทรงออคนนั่นคนนี่เรียนหนังสือทรงค่านั่นค่านี่นี่ไม่ได้หลวงพ่อว่ามันเป็นเปรตได้เลยพระยังไม่มีคุณธรรมเนี่ย ไปสงเคเด็กเรียนหนังสือไปสงเขาเรียนหนังสื อ, อเอาเงินให้ลูกให้หลานของตัวเองไปซื้อน่นซื้อนี่นี่อันนี้เป็นเปรียดได้อันนี้หลวงพ่อเห็นเห็นมากับตัวเองอันนี้หลวงพ่อเห็นแบบนี้อันนี้หละสำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านละได้แล้วนี่ทำอะไรก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่เป็นไรหลวงตาเสียสงเคโลกขนาดนี้นก็ไม่เป็นไรหลวงตามีแต่ ได้เพิ่มขึ้นไปนี่มีแต่บุญกุศลเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละพวกเราก็แต่ว่าเกิดขึ้นมานี่เราก็เคยเป็นเปรต เ, เป็นผีมาเหมือนกันที่เป็นเปรตเป็นผีเนี่ยมันนานอายุมันนานนี่เวียนว่ายตายเกิดเป็นพวกเรานี่ก็ไม่ไม่รู้ว่าอ่าเขาอยู่มีความสุขไหมเขาไม่มีความสุขแต่ละวันละวันเขาก็มีความหลงยึดติดอยู่ในอ่าธรใน เพิเหินแถวนั้นหะเขาก็ไปนั่นไปนี่ถ้ามีคนมาเขาก็ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเขามาหาเขาก็คงรักษาคุ้มครองแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาเขาก็จะบังเบียดทำนองนี้อันนี้ไอ้จิตวิญญาณพวกจิตวิญญาณนี่มันเยอะเนี่ยถ้าจิตของเรามันเกิดความรู้ความเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดความเชื่อมั่นว่ามีพวกเรานี้ก็มีจริง เปตผีมีจริงเทพเทวดามีจริงนรกสวรรค์มีจริงอันนี้แหละให้พวกเราเชื่อมั่นว่าคุณของพระเจ้ามีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาอย่าคิดว่าสิ่งเรานี่ไม่มีอันนี้แหละหลวงพ่อขอพูดแค่นี้วันนี้ก็ให้หลวงตาพูดต่ อ, อเอาลนะเนาะไม่มีสติ อช่ All right.